พระธรรมเทศนาแผ่นที่92ลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่28มีนาคม2559มีชื่อเรื่องว่าช่วยลูกหลานสองกระรวงวันนี้เป็นวันที่28 มีนาคมพุทธศักราช2559วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งเป็นวันเปิดตึกอุบัติเทตุฉุกเฉินโรงพยาบาลอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอแต่ตั้งชื่อว่าอาคารหลวงปู่จามมหาปุญโย อาคารผู้มากมีบุญวารมีหลวงปู่จามมหาปุญโญวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2559คือวันนี้นะและก็มีท่านขณะนี้มีท่านป อ, ออนายแพทย์จักกพันนันทิกาแล้วก็ประธานคือนายแพทย์วิทยาวัฒนเรื่องโกวิด รักษาการนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดรู้สึกว่าท่านผู้ใหญ่มาหลายท่านเปิดอาคารก็มีท่านในอำเภออเภอคำเชอี ด, ด้วยและกก็หัวหน้าส่วนราชการหลายท่านที่มาร่วมมารวมกันพร้อมกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าถือว่าโรงพยาบาลถ้าหากว่าท่านเราจะพูดอีกแบบหนึ่งก็เหมือนกับว่าเรามาเปิดอู่ เรามาเปิดอู่ซ่อมรถพร้อมกันทุกคนเข้ามามาเปิดอู่อู่รถซ่อมแต่นี่ไม่ใช่อู่ซ่อมธรรมดาอู่ซ่อมสุขภาพของพวกเราท่านทั้งหลายเพรา ะ, ะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจึงให้ความให้ความสาคัญในการที่จะมาร่วมมารวมกันและก็พร้อมกันก็เป็นตึกตั้งชื่อว่าหลวงปู่จามอย่างที่โคศกได้อธิบายให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังก่อนหน้านี้ ถือว่าตึกหลังนี้ก็เป็นตึกชื่อขององค์หลวงปู่จามแต่ลูกพ่อเองในฐานะที่เป็นหลานของหลวงปู่จามหลวงพ่อกระเร่สอบถามนะสอบถามท่านผ อ, อทางโรงพยาบาลอำเภอคำเช อ, อีว่าเครื่องไม้เครื่องมือทุกโรงพยาบาลต้องขาดเหลือขาดตกอย่างมากทุกโรงพยาบาลที่หลวงพ่อเข้าไปสืบสอบถามดูยิ่งโรงพยาบาลบาาบนใหญ่ เตียงขนาดเตียงหมุนก็ยังไม่มีที่จะนอนนอนกับพื้นก็มีขนาดโรงพยาบาลประจําจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์นะ อ, อ, อันนี้เคยคือทางความขาดแคลนของโรงพยาบาลเมื่อไม่นานมานี้หลวงพ่อเองได้พบกับในผู้ตรวจรผู้ตรวจผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุขได้พบท่านโดยบังเอิญนะท่านจะมาขึ้นเครื่องที่อุดรหลวงพ่อก็อยู่ในห้อง วีไอพีท่านก็เข้าม า, าม า, ท, าท่านเขาก็บอกแนะนำว่าท่านผู้ตรวจกระทรวงามาตรวจในถิ่นหลายหลายจังหวัดหลวงพ่อเออท่านพูดตรวจอาตมาเองได้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลพอสมควราะว่าหลวงพ่อได้ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือให้กับโรงพยาบาลทั้งเตียงทั้งสร้างตึกหนีไฟ S <S เมื่อผ่านที่ผ่านมาตึกนี้ไฟที่โรงพยาบาลก็หมดไปตั้ง80บกว่าล้านนะเป็นที่จอดรถนะจอดรถประมาณ700คันที่โรงพยาบาลเพราะนั้นหลายๆเรื่องที่ลวงพ่อให้เครื่องไม้เครื่องมือทั้งรถแอมโมเรนด์ด้วยท้งอะไรด้วยเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะพูดพูดกับท่านพูดตรวจเหมือนกั น, นเพราะว่าเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับโรงพยาบาลแต่ลูพ่อเห็นโรงพยาบาลหลายๆแห่ง พอสร้างตึกขึ้นมาแล้วไม่มีเครื่องมือไม่มีอุปกรณ์ในการแพทย์เข้ามาอยู่ในตึกหลังนั้นเลยพอสร้างตึกแล้วก็โดดเดก็ให้ผู้ให้พออเป็นผู้หาเงินเป็นผู้หาเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาใส่ตึกหลังนั้นแต่หลวงพ่อเห็นแล้วไม่น่าจะถูกต้องทำไมกระทรวงคิดได้ทำไมคิดไม่ได้ผู้ใหญ่ในเมื่อสร้างอาคารขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีเครื่องมือคิดดูสิ ถ้าขนาดล้มพ่ออยู่ในป่าตรงพงไผ่ล้มพ่อก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะแต่ถ้าว่าเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วสร้างอาคารขึ้นมาแล้วพวกเครื่องมือมก็ต้องมาพร้อมกันเมื่อสร้างอ า, อาคารขึ้นมาแล้วก็หน่วยเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องเข้ามาทันทีเลยเข้ามาดูเลย ว, ว่าตึกหลังนี้จะใช้อะไรในท้องถิน่นในถิ่นฐานแห่งนี้แล้วก็ เข้ามาก็มาดูเออควรจะใช้เตียงเท่านั้นควรจะใช้ห้อง ICU เท่านี้ควรจะใช้อุปกรณ์หมอเครื่องทําฟันเท่านั้น เ, เครื่องฟอกไตเท่านี้ก็ตามไม่จริงมากน่าจะมีงบออกมาให้กับโรงพยาบาลเข า, เ, าเป็นชดแรกเป็นรอดแรกเลยให้มันครบ บ, บ, บริบูรณ์ในการบริหารจัดการาไม่ใช่ว่าสร้างตึกขึ้นมาแล้วก็ทิ้งโดดเดไว้ เออไม่รู้ว่ากี่ปีไอ้พวกนึงก็จะหาเครื่องมือแพทย์พ็หาไม่ได้ไม่รู้จะหากับใครทางรัฐบาลหลวงพ่อว่าน่าจะเจียดงบประมาณออกมาออกมาดูแล้วตึกหลังนี้จะต้องใช้เท่าไหร่อพอสร้างเสร็จแล้วตึกหลังนี้จะออกใช้เท่าไหร่เออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อว่าน่ะเออไม่ใช่ว่าเราสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของปอออกเขาจะหาที่ไหนล่ะ เ, เข้ามาใส่ในอาคาร เพระนั้นหลวงพ่อขอฝากไว้กับท่านผู้ตรวจกระทรวงและอีกอย่างหนึ่งเวลาจะออกไปตรว จ, จาตามโรงพยาบาลต่างๆน่าจะแปลงปลอมแปลงตัวเหนือมันกับคนทั่วไปไม่ต้องบอกล่วงหน้าว่าข้าพไเจ้าเป็นปลัดกระทรวงข้าวปเจ้าเป็นรัฐมนตรีหรือข้าวไปเจ้าเป็นใคร เ, เราไม่ต้องบอก เ, ออเราปลอมตัวไปเลไปดูตามความเป็นจริงแต่ไม่ใช่เราไปขายหน้าเขานะ เราไปตรวจาูเอมันเป็นยังไงการบริหารจัดการ น, นี่เราอยู่ในกระทรวงเราก็ไม่รู้ว่าลูกน้องบริวารของเราทำยังไงบริหารจัดการยังไงแต่นี่เมื่อเราไปเห็นความจริงขึ้นมาแล้วเราจะเข้าไปกระทรวงแล้วก็ไปไประชุมต่างคนต่างออกนะเป็นผู้ใหญ่ปล อ, อมตัวออกไปก็ไปดู เ, เสร็จลแล้วเราก็เข้ามาเอ๊ะผมไปดูแล้วเอ๊ะมันจุดนั้นจุดนี้ความบกพร่องมันมีนะ เครื่องไม้เครื่องมือมันขาดตกบกพร่องนะหรือบุคลากรของพวกเราที่ไปทำงานนะัออ่นน่ะนิสัยไม่ดีเลย พ, พูดกับคนไข้คนป่วยนิสัยไม่ดีมองแล้วไม่เขาา้าท่าเนี่ยเราจะเห็นต่อความเป็นจริงนะเมื่อเรามาเข้าโลกเรามาตรวจตราดูในโรงพยาบาลทั้งอำเภอทั้งจังหวัดหนะ้าที่ต่างๆเพราะเราเป็นผู้ใหญ่นะในเมื่อเราตรวจตราดูแล้วขาดหลืออะไร เราก็เข้าไปไประชุมกันให้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะหลวงพ่อว่าจะดีกว่ า, าพ่อหเหตุไรถ้าว่าเราก่อนที่จะลงไปเราประกาศาก่อนพอลงไปเขาันสิ่งไหนทีม่มันไม่ดีเขาก่อนะประดับตกแต่งทาแป้งทานหวนวดเข้าไปเออให้มันสวยงามขึ้นไปเราจะไปมองเห็นความจริงเขาได้อย่างไรแต่ถ้าว่าเราไปตามธรรมชาติเราจะเห็นอันนี้คือไม่ใช่แต่ในยุคสมัยนี้ สมัยก่อนเก่าก็เหมือนกันนะพระเจ้าแผ่นดินเขาเขาปกครองในหัวเมืองพอป ก, ปกครองไปแล้วเนะี่ยเขาประกาศเอทีนี้ก็เอพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่มั่นใจว่าที่พวกน้องลูกน้องบริวารที่มาเนี่ยเขาโอ้ยบ้านเมืองสงบปราบข้าเปรียบร้อยอราบรื่นดีมากไม่มีอะไรครับอพวกสอพอศ พันทั้งหลายท่านเข้าไปพูดกับเจ้านายข้างในแต่ถ้าพระเจ้าแผดินเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเอีพอที่ไหนได้แต่เนี่ยพระเจ้าแผ่นดิปลอมแปลงตัวเนี่ยเหมือนกับพามรถขับรถเก่าๆปาปตามบหมู่บ้านเอพอไปเสร็จแล้วโอ้ยเอยพวกที่เก็บภาษีอากรมันมาบีปลาทาเล่นพระเจ้าแผดินเมื่ อ, อไรเนาะพระเจ้าแผ่ดินองคนี้จะตายเอยทําไมมัน ทำให้พวกเราทุกยากลำบากเหลือเกินพระเจ้าเป็นดินได้ยินกะโฮก็เลยไปถามเอเป็นไงยายทำไมจึงด่าเขาถึงขนาดนั้นวะเขาทำอะไรโอ้ยแต่ก่อนก็ไม่ทุกข์ไม่จนขนาดนี้อันนี้พระเจ้าเป็นผู้นี้ปกครองมานี่ส่งให้ลูกน้องมาบีพาษีเอ่จนชาวบ้านแตกหนีบ้านหนีเมืองไปหมดเออเนี่เขาด่านะเนเ่ยตัวเองโอโ้โหชายไปอีก ไปก็ไปเจออีกหลายๆแห่งพอในสุดพระเจ้าแผ่นดินก็มาปรับตัวใหม่โอ้ไม่ได้นะสู่เจ้าไปทําใครทํางานอย่างนั้นไม่ได้ทําให้เดือดร้อนแผ่นดินของเราเราเป็นใหญ่นี่ตอนนี้ก็มาพัฒนาประเทศของตัวเองพัฒนากลุ่มชุมชนของตัเองเถอะประชาชนก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขสาธุเออพระเจ้าแผ่นดินของเราเออดีมากเลยบัดนี้แนี่แหละ อันนี้หลวงพ่อเองก็อยากจะให้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันส่วนรัชการไม่ใช่ไปอยู่กอดขาเก้าอี้ของตัวเองอยู่ไม่ขยับไมเยื่นจะเลยกลัวขาเข่าริกเก้าอี้ตัวเองจะหลุดนะต่างคนก็ต่างกอดขาเก้าอี้ไม่ออกมามาดูพี่น้องประชาชนเจะเลยหลวงพ่อเขาว่าไปน่าจะถูกในอนี้นพูดหลวงพ่อพูดในฐานะพระป่าพระหลวงพระ อ, อยู่ในป่านะอาจจะเห็นพี่น้องประชาชนพราว่าหลวงพ่อคื อ, อ, อกเกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขหลวงพ่อนี่ถ้าหากวันาให้งพ่อยกมือนะหลวงพ่อยกมือกับริโผวิตันอย่างนี้แหละลูกโผล่วิตอนทําไมหลวงพ่อจึงยกมืออย่างนี้หนึ่งกระทรวงศึกษาธิการหลวงพ่อให้การสนับสนุนสองกระทรวงสาธารณสุขหลวงพ่อให้การสนับสนุนสองกระทรวงทําไมจึงให้ให้การสนับสนุนสองกระทรวงเพราะว่า คนในประเทศชาติบ้านเมืองเกิดขึ้นมาแล้วนะการศึกษาไม่ดีโรงเรียนไม่ดีครูไม่ดีการศึกษาไม่เอื้ออำนวยให้เด็กของเราฉลาดนะเราจะพัฒนาประเทศชาติไปได้อย่างไรเพราะรอะไรเพราะประเทศชาติมันโง่คนโง่ะจะพัฒนาอย่างไรมันต้องสอนให้คนฉลาดวิชาไหนที่ฉลาดเวิต์อังกฤษให้มันทันกับเขามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่หลวงพ่อให้การสนับนนสนุนนะ ทำไมหลวงพ่อสร้างอาคารเรียนถามเลยสิในเขตเอำเภอคำจีน้องสูงจังหวัดมุกดาหารเนี่ยหลวงพ่อมาช่วยกี่โรงเรียนในแถบนี้ไม่ต้องถามหรอกให้ถามถามกันเองก็แล้วก็แล้วกันนะหลวงพ่อมาช่วยโรงเรียนแถบนี้หลายโรงเรียนทีเดียวแถวบ้านหนองเอี่ยนดงแถวแถบนี้นะ่ะเอหัวนนตานก็มีนิคมคําส้อยมุกอำเภอหนองสูงแถวแถบนี้ หลายโรงเรียนทีเดียวถ้าหลวงพ่อจะไล่พันรายในการสร้างอาคารแถวนี้หลวงพ่ออาจจะไม่ได้ฉันอาหารวันนี้นะอันนี้ก็คือปีนี้หลวงพ่อก็สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสุมเศร้าเนี่ยองค์ที่3ท่านวัฒนาเนี่ยหลวงพ่อก็ให้การสนับสนุนสร้างอาคารเรียนหลังนี้ก็4ล้านกว่านีโรงเรียนตำบลบ้านสุมเศร้าแล้วก็ตอมเรียนบ้านหัวช้างอีกสี่ล้านหกนะแล้วก็ให้การสนับสนุนโรงเรียน อุรานพิทยานุกูลโรงเรียนประจำจังหวัดอุร อ, อีกหลวงพ่อก็เป็นสะพานบุญให้กับคุณชัยละศีละวันมาสร้างเพึ่งวางศิลาเกิกเมื่อวันที่วันที่9มีนาที่ผ่านมางบหลังนี้นะ่งบเซ็นสัญญากัน27่พนหแสนยังไม่รวมโต๊ะเก้าอี้อีกต่างหากนะเพราะนั้นหลวงพ่อไม่ได้คิดไม่ไดบ้บกพ้องว่าหลวงพ่อพูดไปนหลวงพ่อให้การสนับสนุนนะเรื่องการศึกษา ถ้าคนในชาติเกิดมาแล้วโง่เง่าเตาตุต่นแล้วจะพัฒนาประเทศชาติไปได้อย่างไรนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในเมื่อคนทุกคนในประเทศชาติบ้านเมืองไม่รับไม่ได้รับการดูแลรักษาสุขภาพ เ, เป็นกระจกหอกง่อยหมดเพื่จะมีเงินขนาดนั้นก็เถอะอุปกรณ์การแพทย์ของเราขาดตกบกพร่องออไม่มีใครดูแลทั้งรัฐบาลคน น, นึนเอาไปใช้อย่างอื่นกระทรวงสาธารณสุขด้อย คนเราทุกคนเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเกิดมาทุกคนต้องมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนั้นการแพทย์การอนามัยมันต้องดีมันต้องเป็นคู่เคียงกันกันกบศาสตร์การศึกษาวิทยารเ์เพราะว่าทุกคนจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนี่อย่างหลวงพ่อก็เองก็ไม่ได้มองมองมองข้ามเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเองฝ่ายสงฆ์นะหลวงพ่อก็เป็นประธานมูลนิธิ หอภิบาลสงหลวงปู่มั่นโพริทัตโตที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นประชุมเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาเราหลวงพ่อเป็นประธานมา8ปดปีนะนะการนรัตธาญาตโยมที่เป็นประธานมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นพระสงฆ์ทั้งหลายในถิ่นแถบนี้นะ่ะครูบาอาจารย์เขเข้าไปพักผ่าใส่เดี๋ยวนี้ปีหนึ่งใช้ปีละหลายล้านบาท ป, ปีนี้ว่างบปีนี้ใช้ประมาณ3ามล้านแปดนี ที่เราใช้ไปดูแลพระสองฆ์อาพาธ น, นี่เมื่อความจำเป็นเทวดาย า, มาเมล็งเม็ดหนึ่งราคาพันบาททางรัฐบาลเขาให้300บาทจำนวนถือเหลือเ0็อบาทมูลนิธิเป็นคนจ่ายลักษณะยอย่างนั้นนะมูลนิธิมีความจำเป็นในการดูแลพระสงฆ์พระเถระหรือพระอนุเถระเราไม่ได้เลือกว่านิกายไหนนะจะเป็นนิกายเวียดนามนิกายจีนใครก็ตามถ้าเขาไปป่วยที่นั่นก็ให ดูแลรักษาแต่เป็นพระจริงตลอดถึงแม่ชีด้วยอันนี้ก็คือการดูแลพระสงฆ์หลวงพ่อก็ไปในมองข้ามและก็พร้อมกันโรงพยาบาลนะ จ, จังหวัดอุดรธานีนะโรงพยาบาลประจําจังหวัดโรงพยาบาลศูตอุดอรหลวงพ่อก็เป็นประธานหมู่นิธิพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกดูแลสงอาพาตแต่ตามไม่จริงก็จะตั้งชื่อองค์หลวงตานวะหลวงตามหาบัวนั่นแหละ แต่ตอนนี้เราไปขออนุญาตไม่ได้เพราะว่าญาติพี่น้องลูกหลานของท่านไม่อนุญาตเพราะว่ากลัวพวกเราจะพวกคณะแพทย์ทั้งหลายจะเอาชื่อหลวงาตา ม, มาแจกจ่ายขายกินเพราะวมันเป็นมูลนิธิอาจจะไปเลี่ยไล่แผลขอเสียกิติศัพกีิติคุณของหลวงตา เ, เขาเขาคิดถูกเหมือนกันหลวงพ่อไม่ว่ากันแต่หลวงพ่อเออเอาเถอะถ้าหากว่าเมื่อพี่น้องลูกหลานท่านไม่ให้หลวงพ่อเอง เอาชื่อของหลวงพ่อก็แล้วกันหลวงพ่อดูดูอยู่เขาคงจะขายอะไรก็คงจะอพอที่จะขายได้ก็ขายมั่งหลว ง, งพ่อกวานเอาเอาชื่อหลวงพ่อก็เลยตั้งชื่อหลวงพ่อนะอแต่ในนี้ก็ดูแลพระสงฆ์อาพาธในโรงพยาบาลศูนย์อุดรและก็พร้อมกันก็ให้เครื่องมือแพทย์มากมายเหมือนกันอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองไม่ได้มองข้ามทั้งสองสองอย่างคือสาธารณสุขหนึ่ง แล้วก็กระทรวงกระทรวงศึกษาหนึ่งการศึกษาของประเทศชาติบ้านเมืองกับสาธนารณสุขเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงได้พูดได้กล่าวแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้เน่งดูดายในเรื่องพุทธศาสนาอีกเหมือนกันพุทธศาสนาหลวงพ่อก็สร้างวัดว่าสร้างที่นู่นที่นี่ อ, อย่างเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็ไปการาบคารวะหลวงปูป่บุญมีที่เป็นพี่ชายใหญ่ของหลวงพ่อนะ หลวงปูป่พนมีเนี่ยเป็นแค่ว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาเดี๋ยวนี้องค์หลวงปู่เนี่ยเป็ น, ป เ, นเป็นพี่ชายใหญ่อายุ90้าสิปีปีนี้ที่เนี่ยอำเภอจังหวัดยะโสธรท่านมาจากอุดร น, นั่นแหะเมื่อมาปีที่แล้วเนี่ยแต่ก่อนท่านอยู่ที่อุดรปีนี้ท่านก็เลยมาอยู่ที่แถบๆใกล้ๆบ้านท่านเมื่อวานเห็นว่าท่านจะสร้างพระเจดีย์หลวงพ่อก็เลยแนะนำจะตุบ ป, ปัจจัยไปถวายท่านนะคณะะ า, าจารย์ญาติโยมลูกหลานถวายท่านเมื่อวานห้าแ0 0นั่นแหละนั่นแหะปัจจัย 5แสนบาทเมื่อวานแล้วก็พร้อมกันศรัทธา ญ, ญาติโยมที่ติดตามไปด้วยเขาก็ร่วมสมทบมารวมกันเป็นเงิน5 4 4 7 7 0บาทเมื่อวานนี้นะพวกเราทั้งหลายอนุโมทนานะสาธุแล้วก็พร้อมกันก่อนหน้านี้หลวงพ่อไปถวายวัดนู่นอะอำเภอวางน้ำเขียวเจดีย์บืางกัน2 0 0แสนบาทนะแล้วก็วัดต่างๆหลวงพ่อ ทำ บ, บรรยายไปเลยก็ามากมายแต่ทาไมจะตุปัจจัยที่ได้มาก็ได้มาอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายถวายนะหลวงพ่อกเก็บเล็กผสมน้อยคนนั้นให้บางคนนให้บางพอเป็นก้อนคือมาอา่ะพอจแจกที่ไหนก็แจกถวายไปมอบไม้ใหม่ไปพอหลวงพ่อเองเกิดบวชมาบอกว่าหลวงพ่ออินของพวกสูญเจ้าทั้งหลายบวชมาในพุทธศาสนาไม่ได้หวังมุ่งเป็นเศรษฐีนะจะเป็นเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีธรรมขอให้พ้นทุกข์ในวัตะสงสาร ขอให้ถึงแดนพระนิพพานโดยเร็วแต่เรื่องปัจจัยสี่ที่ได้มานั้นหลวงพ่อจะมอบแจกไปตามสถานที่จําเป็นสาธารณประโยชน์เพราะว่าพวกสูญเจ้ามาบริจาคให้กับเราก็าคือมาจากสูญเจ้าในเมื่อได้มาแล้วก็ข้าพเจ้าผู้หลว ง, งพ่อเองก็มองเห็นสาธารณประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานตรงไหนจะเป็นประโยชน์ต่อวัดวาสาธนาด้วยแล้วก็ตามความเหมาะสม แต่ก็ไม่ให้เดือดร้อนตนนะไม่ใช่ว่าพอหมดเงินอันแรกก็เลี่ยนลายถ่ไยเงยผ้าโปงผ้าป่าซองแจกไม่อั้นแจกแล้วแจกอกี่ไม่ใช่แจกผ้าป่าไม่ใช่แจกทามาจนผีกลัวจนเป็นผีย่านก่้นไปจนผีย่านซองผ้าป่า่นไปไม่ถึงขนาดนั้นเพราะนุ้งพ่อเองไม่เคยไม่เคยมีเลยเราซองผ้าป่าได้มาโดยเป็นธรรม คณะสทถทาญาตยมได้มาแล้วก็เก็บแล้วก็แบกแจกแบ่งไปนั่นแหละแต่วันนี้ที่มาวันนี้หลวงพอ่อก็ได้ถามท่านผอผ อ, อ, อ, อ, อจกกักรพันธ์นันทิกานี่หลวงพ่อเออมีความจําเป็นอะไรท่านก็ไล่เลี้ยงให้ฝังโอ้มีหลายอย่างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องผ่าตัดด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ด้วยแล้วก็เรื่องเตียงเด็กก็พอใช้อยู่แต่เก่าเก่าเก่าบ้างแต่ก็ยังพอใช้อยู่ แต่หลวงพ่อกันมาฟังฟังติดใจในเรื่องอมีหมอฟันทั้ง3าสี่หมอแต่มีเครื่องมีเครื่องทําฟันอยู่จํานวนนั่นก็เลยนั่งคอยกันหลวงพ่อว่าคราวนี้ก็คงจะมาคราวนี้คงไม่ให้เสียเที่ยวอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อยินวะงั้นเถอหลวงพ่อคงจะให้เครื่องทําฟันสักเครื่องหนึ่งนะประมาณถามถามแล้วประมาณาสี่0สนกว่าๆนะสี่แสนห้าเลยส0 0 0สแต่หลวงพ่อเองก็บอกว่า เอาเธอจะไปใช้ของเยอรมันถอะนะของใช้ของไทยนี่แหละเพราะว่าของไทยหลวงพ่อเคยซื้อมาแล้วมันก็มราคาไม่แพงขนาดนี้มั้งจะไหมอยู่หลวงพ่อซื้อให้น้ําน้ำโสมน้ประมาณสองแสนกว่าแต่ว่าเรื่องหัวทําฟันก่อทําฟันที่ทําฟันที่หัวของมันที่จะก่อฟันอันนั้นเป็นของเยอรมันแต่เครื่องไอคมไอเครื่องไอที่เป็นเครื่องเครื่องโยนของมัน เครื่องมอเตอร์ของมันเป็นของไทยอยู่แต่ว่าของหัวของมันเป็นของเยอรมันนี่หลวงพ่อเดี๋ยวซื้อให้กับโรงพยาบาล น, น้ําโสเมื่อ 3- 4มี่ปีหปีให้หลังนะแต่จากนั้นมาหลวงพ่อก็ไม่ได้ติดตามแต่เป็นของไทยก็มีของเยอรมันก็มีแต่หลวงพ่อว่าน่าจะส่งเสริมของไทยนั่นแหละถ้าว่าเราไม่ส่งเสริมของเราเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมาได้อย่างไรถึงยังไงกับตูปัต เป๊ะซะก่อนต่อไปมันก็จะแข็งแรงขึ้ น, นเรื่อยถ้าพวกเราให้การสนับสนุนของไทยนะนี่แหละพวกเรานี่ไปมีแต่ซื้อของต่างประเทศมาจากได้ของดีพอซื้อมาแล้วแต่นี่มีแต่ของต่างประเทศของไทยก็เลยเจ๊งบริษัทไทยขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีใครสนับสนุนพอมันเจ๊งขึ้นมาเลยนะี่มีแต่ซื้อของแพงท่นี่หลวงพ่อว่าก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันถ้าว่าเป็นของไทยพอใช้ได้อยู่ เราก็ควรจะใช้ของไทยแต่มันเสียหายขึ้นมาเราก็เรียกเขามาซ่อมง่ายๆเพราะว่าเป็นของไทยนะเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้มาฉันที่นี่นะหลวงพ่อจะมอบเครื่องทำฟันให้กับลูกหลานเครื่องหนึ่งหน้าลูกหลานหน้า